บ้าเมื่อกี้ในบ้านผือมาหูหลายหลายร้อยองค์อำเภอบ้านผือแต่นายโย่งในกับน้ำโสมนายโก่งโอ้จัดปีนจัดไม่เท่าไหรเมื่อนั่นเจ้าพณะอำเภอบ่อบ่ได้มาบ่ได้มาวัดหลวงพอ่อเลยบอ่อได้ทแต่บ่อปันมมน้ำโสมในประมาณเท่าไหร่ร้อยถึงสองร้อยพระจำพรรษาปีนแต่สังคมเท่าไหน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 นับถือพระพุทธศาสนามีพผันบันพบรุษของเขาที่ปกป้องประเทศชาติมากอันนี้ก็คือชาติศาสนาก็คือพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติาตั้าแต่พอคุณศีอินทราธทิดพอคุณล่ามกาแหงและก็กุงศรีอายุทยากุงรัตนโกศิลนีเ์เนปกป้องประเทศชาติมากเบิงโนก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 ต้องตัวเองตัวภาพไปหาพอหาเมหาปูหายาถังสัตว์มันจะถูกได้ลูกหลานเลยคำหลอกโกงเขียนได้ข้าวเฮ็ดปูดีไว้มันบดีมันตามมาหาเห่าเลยข่าวเห่าเฮ็ดดีหรือความดีจะตามมาหาเห่าพอนั้นพวกเขาต้องคิดไว้ให้ดีผู้ใดก็ตามพอเมบอกยังอตกฝากหลักดินของได้ใดเที่ยงแล้วบ้าอยังก็เทียงแล้วบานท้าเจ้าของได้ลูกม่านระวังบ้าน เจ้าของบ่ออยังมันเถียงเข้ามัดกูข้ามบันนี้น้ำตาหน่อยน้ำตายังระบาดเออห้องหยเออทั้งพอบ้านที่เกิดพ่อแม่บออยัางพอบ่ออย่างนี่บ่ได้เออมีแตตั้งมัดตั้งมวยเพอเพอเตะพ่ออีตั้งอับาทาหลวงพ่อเคยเห็นเด้หลวงพ่อเ็ยเห็นบ้านงพ่อเออพ่อสอนลูกเตะพ่อตกเือนบาางพ่อเนเล่เยหบ้านหล่อเออพอสอนลูกเตะพอตเคลื่อนบาดาอมากอีก่ดนหมไปบาทธาหมอนี่ได้เมียได้ลูกมาก เอาแม่มาดลูกเจ้าของแตะเจ้าของอีกหนอย เ, เออมันบุกไปใส่เดวอนออกไปกำล้อโกงเกวียนแหม่แท้ๆเดวานอไปไอ้พวกเขาสังเกตมัง น, นะที่ลงพอบอกจังสีแล้วนะไอ้ขั้นพลายเทียงพอเทียงแม่มันลูกขึ้นมากมันสิเทียงทัเบิ้ลเาไปเบิ้งหลดเอนไ ป, อนไปเอบอบกไปใส่รอกเดอนไปบอกว่าแต่ลูกพอลูกแม่เราลูกซีลูกหาขึ้นไปขั้นพลดยสอบเถียงครูบาอาจารย์บอกอย่งตกฝากลากข้ามมาเลยทเบิ้ลลูกซีดเจ้าของเาไปเอ้ซีเถียงเจ้าของไปลงพอบล้ว การดุคิ์ผู้ใดจะมาเถีย ง, งองค์พ่อนี่ยองพ่อไล่ออกจากวัดโดยเ่พให้ไดพงคพ่อมาคยเถียงคูบาอาจารย์เนนคู่บาอาจารย์เบาทพิตเาถืออย่างไรกั น, นั่งฟังวันลไปเออเพิ่นสืสอนแบบใดเพิ่นอาจจะมีเ ล, เล่ยเียมของเพิ่นก็ได้เออของเพิ่นสืสอนมเพิ่นถือเข้าพักจิตปักใจถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์เข้าลหละเขาต้องฟังเออฟังฟั ง, ฟงเพิ่นวันลงไปเออขณาฟังแ ล, ล้ววันพุ่นอ่ะเข้าเป็นสมพานเข้าเป็นออก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 ประทับนานที่สุดถึง25ปีในกรุงสวัตถีใเมืองอินเดียบาดในมีภามพผู้หนึ่งของภาพก็คือสมัยนั้นมันมีตระกูลไม่มีอยู่4อย่างเลยกษัตริย์พราม์แพทย์สูตรคือพภาพเนี่ยไกลว่าลองจากกษัตริย์ออกไปเป็นผู้ถือสาธารณพิธีเป็นผู้มีความรู้ในระดับจัดการจัดงานอาย่างนักสนะนั่นแหละพราม์ต่เนี่ยก็พรามผู้นั้นกัทํางบ้าค่าขายออกรวยเลย เด็กก็จะโกรธโกรธนึ่งกว่โกรธนึ่ก็คือสิบล้านกว่าไปเออลอยสิบลยเป็นพันเลยสบพันเป็นหมื่นสิบหมืนเป็นแสนสิบแสเป็นล้านสิบล้านเเป็นโกรธเงีนเงี้โกรธหนึ่งกว่าไถ้าคูมือนิมิตน่าจะถึงล้านกว่าไปมัมันมันม่โกรธแต่สมัยประเทศอินเดียโกรธกว่าไปนับถึงโกรธคือว่าสิบล้านเป็นโกรธนึงเลยภายในภาพคนในหางกันแต่โกรธหนึ่งกว่าไปอ พ่อต่อมาก็ได้ลูกอีกเก้าคนบัดนีอยภาพเลยเป็นผูกขยันมาต่อไปเออได้ลูกเก้าคนลูกชายลวดต่อม่าบัดเนี่ยพอลูกชายกําลังสิเป็นนมเนาะมันเลี่ยงกันสามลาบขึ้นมาใด้ลูกชายก็ได้เอีคือจะบหัวปีท่ายปีหัวปีท้ายปีลักษณะลักษณะถ้าเนี่ยพ่อต่อม่าแม่ก็เลยตายบัดเนี่ยพอตายลูกชายก็เป็นนมขึ้นมาาละก็เลยปรึกษากันพี่น้องเก่าคนเอ้พอก็มีเงินอยู่พวกเข้านายจะ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 บาดฮาแบงมรกบแบงทอกันแบงมวหรืบแบงทอกันบาดฮาแล้วหมูเวลาอยู่ก็อยู่แต่บาทเห่าอันนี้ก็คือลุกสะพายไงบอกว่าต่อไรเถื่อต่อไรที่พอปูกับโอ้โหขึ้นมาหลายวันแล้วไงไหวพวกนี้มันบ่กอยากให้กูอยู่น้าตัวเนี่ยออกแบบนี้เลยใ่ไหบออยู่ก็ไปอยู่ละเลก็เลยไปอยู่บาดที่สองบาดลุกลุกใช่ที่แปด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 ก็เลยพ่อได้เลยก็มาหาคุ้มแล้วก็เลยคุ้มเออจังเข้าพวกเข้าเลยว่าคุ้มนั่นคุ้มนี่เลยเออบ้านนัน่นคือื่อคุ้มนั่นคุ้มนี่เลยก็มาหาคุ้มเจ้าของเลยพอมาห่อพอดก็ประกาศแล้วหน่อยเอ้ยออพี่น้องลูกหลานทุกคนนะลูกลูกทุกคนลูกสะใภ้ลูกชายมานเนอะพอมาแล้วบานเนี่ยพอจะมีข้ามสัง่งข้ามมาลาเขาข้าวก่อนพอไปด้วยโมโหเออก็เลยไปแต่บานนี้ยกับมาสั่งมาล่า ลูกหลานพี่น้องทุกขู่ทุกคนสกอนบารนี้สิบไปบารนีสิบบกลับมาอีกระดับได้บัตรองขั้นภูณรได้ยางมากก็มากเดี๋ยวสิมาสัา่มงมาลามาสั่งมาเสี ย, ยคนจะลูกไปเคือมาแบบผูกคอตอแข น, น, นลักษณะดังสันแล่าน้นไปแต่ต น, นี่ผ้ามเปิลกับบริวา่าผูกคอตอแขนเนี่ยเปิลกับว่ามาสั่งมาลาบ้านในพี่น้องลูกหลานทนั้งหลายกันลุ้มมาแล้วเ น, น, นาะม่านนังสาบเปล่านจนพวกเข้ามาดังลงพอวอกสิเหล่านั้นไปดังสาบปล่า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 พ่อพรามเลยคืนไปก็กปกยืนกางฟอลวันไปกางยืนยืนยืนไม่เท่าผมพ่ายยามพอมมีหมอโลกเขียนแอลอีกตัางหากนไปแล้วก็มีไม่เท่าพร้อมภามก็บอกว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลาบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ำกายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถาน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 อยกันนในลูกเก้าคนวันอนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเข้าคิดบงุกที่พระพุทธเจ้าเพิ่นให้ข้ามค่อมหรือว่าให้ผ้าซิตแต่ว่าสุป้าซิทนะให้พ้พมม อ, นะ อ, อ, นะ อ, อม่้่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่งเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่